มาจากที่ไหนกันฮยยะจำเทียนนี่เองนะเป็นตาแฝดหรือเป่าเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันนะ ต, ตาคข้ายกันเคยมาหรือเปล่าสามแล้ว อ, อันนี้ก็มากกู่กพุทธแกแล้วก็พุธแก้วที่มาฝากเป็นไม้อ่ามันมาบ่อ ย, ยกันนะอ่าเชอบก่อนไหม ไมปกว่าแล้วึงไม่พากที่เกียรติด้วยโยมกว่าพักแล้วไม่ต้องกว่าเดี๋ยวพอยมไม่กว่าพักก็เลยไม่กว่าก็มีวัดชาวบ้านก็บวชวัดไม่ต้องมองฝากเพราเดียวพักไม่กว่านั่นแหละเห็นไหมพอโยมไปกว่าแล้วพักเขาก็เลยไม่กว่าพอยมไม่ไปกว่าเขาก็ไม่กว่าต่อ ไปก็เลยเลยเธอความจริงถ้าเป็นวัดปฏิบัติเนี่ยครับมักจะไม่ให้โยมไปไปทำงานในวัดกันเท่าไหร่งานที่งานของพระนะงานกวาดงานถูงานทำอะไรต่างๆเพราะว่าเป็ น, เ ป, นเป็นการฝึกหัดพระให้ขยันเหมันเพียรไม่ให้เกียจคร้าน พอยาตยิโมไปรับใช้พระพระกนเลยที่เกียกกั น, นไปไปวัดที่มีพระ น, น้อยต้นไม้จะเยอะถ้าอย่างนั้นก็ยังพอถ้ามีเหตุผลก็โอเคลงวัดพระน้อยนี่กว่าที่ชั่วโมงไปหลายคนจะเป็ น, ออนสาาิบนี่คือเกือบโมงถึงบ่ายสองอะก็คือแค่นั้นก็คือกัดถ้าไปกว่าวัดที่เขามีเวลากว่านี่ยเไม่ให้กว่า พอเวลาที่ไม่กวาดเขาต้องการความสงบพอเราไปกวาดมันก็ไปส่งเสียงดังวัดทั่วไปวัดป่านี่เขาจะกวาดช่วงบ่ายช่วงสามสี่โมงเพราะว่ากวาดกวาดเสร็จจะได้อาบน้ำอาบน้ำซักผ้าอะไรเสร็จก็จะได้ปฏิบัติต่ตอ ถ้าเป็นวัดปฏิบัติจริงๆเนี่ยจะไม่ให้ญาติโยมเขาไปให้เข้าไปแต่ตอนเช้าตอนที่ไปถวายอาหารไปทําบุญตอนเช้าแล้วหลังจากนั้นก็ปิดเงียบพาอยู่ใกลโยมมากไม่ได้เดี๋ยวคิดถึงบ้านเดี๋ยวเห็นโยมแล้วคิดถึงแฟนอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะเพียงแต่ เราให้ฟังโยงไม่เคยไปเจอวัดที่เขาแข่งขัดกันวัดสมัยนี้เอาใจโยตามใจโยโยอยากจะทำอะไรทาทำจะบอกว่าให้มาฝากเลยไม่อยากลงได้็ให้มาฝากไม่ใ้ลาบางทีบอกให้นัดต้อหน้าเลยไม่ให้มาไหนนะี่้เขาีงานจะป็นไงบอะแ อันนี้เป็นไม่ได้เป็นวัดปฏิบัติเนี่ยเป็นวัดพิธีวัดทําพิธีมีงานบวชมีงานอศพมีงานอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดเป็นแบ่งแบบ่เป็นสองวัดวัดพิธีกับวัดปฏิบัติวัดพิธีพระก็เอาสวดอย่างเดียวงานอื่นเขาไม่ทำํำตั้งงามโมยอย่างเดีย ว, วนะคะสวดกุศลาท่างงานสวดกุศลา สังฆทานก็อิดะอิมานิมายังพันเตมีแต่ส่วนความจริงงานพิธีไม่ใช่งานของพระหรอกงานของพระคืองานปฏิบัติปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาทำไมพระต้องปฏิบัติพระจะได้ เปลี่ยนจากกุตุชนไปเป็นพระอริยะเจ้าเนยเปลี่ยนจากคนธรรมดาอย่างพวกเราที่มีกิเลสเต็มหัวใจให้กลายเป็นพระที่ไม่มีกิเลสอยู่ในหัวใจไม่มีความโลภความโกรธ ค, ความหลงกิเลสได้อยู่เฉ่ๆไ ม, ไม่หายไปเองหรอกถ้าไม่ปฏิบัติไม่ขัดเกลาไม่ขับไล่มันออกไปมันไม่ไป ไปให้ทาพิธีมันพิธีนี้ไม่ใช่วิธีกำจัดกิเลสกลับกลายเป็นสร้างกิเลสขึ้นมาเพราะพิธีมันมีมันมีรายได้ใช่ไหมส่วนวเราเหี ย, ยอญาติโยมก็ถวายซองกันถวายซองถ้าเราลนิ ม, มนต์พระไปส่วนแล้วไม่มีซองอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ดว่าจะนิ ม, มนต์พระไปขั้งที่สองได้หรเปล่า เดีย๋ยนี้ศาสนาเลยกลายเป็นศาสนาพิธีไปพระสงฆ์เจ้าก็เลยเป็นพระธรรมดาไปแทนที่จะเป็นพระอริยบุคคลก็ยังเป็นบุตรชนสามัญอย่างญาติโยมต่างกันตรงที่ใส่เครื่องแบบไม่เหมือนกันนั่นเองแต่ใจเหมือนกันเป๊ะยังมีโลคโกรธหลงเหมือนกันอยู่เพไม่ได้ขัดเก่า ไม่จะชำระ ก, กิเลสญาโยมก็ไม่รู้เนี่ยแทนที่จะช่วยขัดกล่ายาโยมกลับไปช่วยส่งเสริมเช่นกิจวัตรประจํเทเจ้าสอนให้พระรมก็คือบิยบาตยญาโยมก็นิมนต์อยาบิยนวันพระให้อยู่วัดญาโยมจะไปขอใส่บาต ท, ที่วัดแทนพระก็สบายกว่าตื่นสายได้ ไม่ต้องเดินไปนั่งเอาบาตตั้งไว้ที่ศาลาเดี๋ยวญาติโยมก็มาใสา่บาตรที่วัดอันนี้เราต อ, ตอนที่เราบวชอยู่ที่วัดปฏิบัติมันมีบิณฑบาตถ้าไม่มีวันที่จะหยุดบิณฑบาตพอมาอยู่ภาพักต่างพอมาเยี่ยมบ้านมาอยู่วัดใกล้บ้านเขาวันพระก็ไม่บิณฑบาตนะเราก็รู้สึกเขินๆไงเพราะมันเคยบิณฑบาตมาทั้วน บางที่ก็ขอขอเจ้าว่าไปบินธบาติไปก็ไม่มีใครใส่บาตรเนี่ย <c oughs> <c oughs> งานบินธบาตพระพุทธเจ้าถือเป็นงานสำคัญท่านสอนตั้งแต่วันบวชเลยพอบวชเสร็จท่านบอกว่าอขอให้บินธบาตไปเลี้ยงที่ไปตลอดชีวิตลาบเหลือเฟือไม่ต้องกลัวอดตาย อาบินระบาดแล้วไม่มีวันอดตายเป็นหน้าที่ของพระที่จะเลี้ยงท้องเลี้ยงปากของตัวเองแล้วก็โปรดสัตว์ให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้สายบา่ายเพราะญาติโยมไม่มีเวลาที่จะมาวัดกันสมัยก่อนเป็นชาวนาชาวไร่ชาวเขาก็ต้องไปไล่ไปทําไล่ไถนากันดนั้นก่อนที่เขาจะไปเขาก็ได้มีโอกาสทําบุญ ได้สายบาตรถ้าจะให้ก็มาทําบุญที่วัดเขาไม่มีเวลาถ้าทำได้ก็เฉพาะวันวันพระวันเดียววันที่เขาหยุดทํา ง, งานการมีนบาทมันทำให้เกิดความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาแล้วก็ทำให้มักน้อยสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิด ไปบินดาบาตได้อะไรมาก็กินตามที่ได้มาถ้าญาติโยมมาวัดญาติโยมมักจะจัดอาหารพิเศษมาถวายถ้าไปบินดาบ า, าดญาติโยมก็ก็เอาแต่วันไหนญาติโยมกินอะไรก็กินอย่างนั้นกับญาติโยมวันไหนทำแกงส้มก็กินแกงส้มวันไหนญาติโยมก็แบ่งจากตัดจากหมา่ามาใส่ แบ่งให้พระส่วนหนึ่งแต่ถ้าเป็นมาวัดในบางทีพิธีพิถันไปซื้อของพิเศษมาถวายพระบินดะบาตนี้พระเจ้าสอนไว้หลายที่ในบทใหม่ก็สอนให้พระบินดะบาตนะแล้วในทุดงข้อทุดงทุดงนี้แปลว่าข้อปฏิบัติพิเศษ ไม่ได้บังคับให้ทำแ ต, แต่แตนะ่นแต่แนะนำพเพราะมันเป็นข้อที่ปฏิบัติยากกว่าศีลสองยี่บเจ็ดข้อศีลสองยิบเจ็ดข้ อ, ขอนี้บังคับต้องต้องรักษาถ้าไม่รักษาแล้วจะเสียหายจะทำให้ไม่เป็นพระเท่นไปนอนกระศีกายก็ขาดจากการเป็นพระไปเลยอันนี้เรียกว่าศีล ปาฏิโมกข์สองอยี่บเจ็ข้อทุดงนี้มีสิบสามข้ออันนี้ไม่บังคับเป็นเหมือนกับเป็นเป็นข้อแนะนำว่าใครอยากที่จะบรรลุเร็วๆใครอยากจะเรียนเก่งๆปฏิบัติเก่งๆให้ถือทุดงก็ทุดงสิบสามข้อนี้แต่ไม่จำเป็นจะต้องถือทั้งสิบสามข้อ ให้เลือกถือเอาตามความเหมาะสมตามกําลังของตนก้อนหนึ่งก็เนี่ยให้เบญทบาทเป็นวัดเป็นกิจวัตรถ้าวันไหนฉันก็ต้องเบญทบาทยกเว้นไม่สบายถ้าไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปไม่ได้บางวันนี่เขาเพ่งถึงแม้ไม่สบายก็ไม่ฉันเหมือนกันถ้าไม่ได้เบญทบาทอา จะไม่รับอาหารที่พระเขาจัดมาให้ฉันที่กุฏิแต่วยอมอดเอาเอาความไม่สบายนี่เป็นเป็นข้อสอบเอาความหิวนี่เป็นข้อสอบเพราะพระปฏิบัตินี้บางทีท่านจะอดอาหารกันอดอาหารแล้วมันทำให้กิเลสมันอ่อนกำลังลงถ้ากินอาหารแล้วเหมือนกับให้ ให้อาหารกิเลสด้วยถ้าเวลาอดอาหารนิเกเลสมันจะไม่ค่อยเดื อ, อะมันจะไม่ขี้เกียจบอกให้มันนั่งสมาธิมันก็จะนั่งเดินจงกรมมันก็จะเดินถ้ามันได้กินอาหารอิ่มๆมันขี้เกียจนะมันจะไม่อยากเดินจงกรมมันไม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะนอน เบนทบาทนี่ท่านสอนให้บินทบาทที่ว่าที่หลงตานี่บางทีไม่สบายท่านก็ท่านก็านกมาให้จัดอาหารไปให้ใ ห, ให้อดไปก่อนบางทีมันแกล้งไม่สบายก็มีมบางวันขี้เกียจอยากจะดูว่ามันไม่สบายจริงหรือเปล่า <c oughs> พอพระที่เขาสบายเขาไ ม, ไ, มไม่ไม่ไม่ฉันอาหารก็มีที่วัด น, นั้นบางองค์อดทีละสามวันห้าวันเจ็ดวันเห็นไม่สบายก็ถือว่าวันนั้นถือเป็นวันอดอาหารไปก็แล้วกันจะได้มีไปแล้วอดอาหารนี่มันจะขยันนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าไม่นั่งก็มันจะทุกข์มากมันจะทรมานใจมันจะคิดถึงแต่อาหารอยู่เรื่อยๆก็เลยต้องนั่งสมาธิ พอนั่งสมาธิใจสงบความหิวหายไปเลยความหิวทางใจหายไปหมดเลยใจอิ่มขึ้นมาหิวที่เหลือก็เพียงแต่หิวที่ร่างกายซึ่งเป็นอาการไม่รุนแรงเหมือนกับหิวที่ใจหิวร่างกายนี้มันรู้สึกเพลียๆรู้สึกท้องเบาๆวิวๆไป แต่หิวที่ใจเนี่ยโอ้โหมันน้ำลายไหลคิดถึงอาหารชนิดนั้นคิดถึงอาหารชนิดนี้มันก็บังคับให้เราใช้ปัญญาแก้เวลามันคิดถึงอาหารก็ให้มันคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในท้องอยู่ในปากอยู่ในลาไส้เวลาที่มันถ่ายออกมาอาหารทั้งนั้นโอเห็นอาหารที่ถ่ายออกมามันก็หายหิวเลย เล ย, ยอนอาหารได้สบายถ้าถ้ามีปัญญาถ้าใช้ปัญญาเป็นใช้ปัญญาดูอาหารที่เคี้ยวอยู่ในปากนะเวลาอยู่ในปากเคี่ยวอร่อยไหมลองคายออกมาดูหน้าตามันก่อนก่อนที่จะตากเกินเข้าไปใหมนะ่เลยมันจะเกินเกินลงไหมตากเข้าไปใหมนะนะ่ได้ไหมซ้มตามไก่ย่างกำลังเคี้ยวมันอยู่ในปากนี่ลง มันามาดูหน้าตามันเนอะตอนที่มันอร่อยมันเป็นยังไงแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่หรือตอนที่มันอจัจจนออกมาแล้วก็ตักเข้าไปกินใหม่เดินดูตอนที่มันถ่ายออกมามันก็อาหารอย่งนั้นอะต้มยำเอ้ยไก่ย่างเอ้ยส้มตำเอ้ยพิซซ่าเอยขนมอะไรเอ้ยเดี๋ยวมันก็ออกมาที่ ที่ส่วมมันก็อาหารใหม่อาหารเก่าการสอ้พิจารณาอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารใหม่ก็ที่เข้าไปในปากใหม่ๆหึือเข้าไปในท้องใหม่ๆอันนี้ช่วยช่วยลดความทรมานเวลาอดอาหารได้พอมันพอมันใช้ปัญญาพิจารณา ความเป็นปฏิกูลของอาหารแล้วมันก็หายหิวหายอยากและในช่วงที่กลับมากินถ้ามันยังหิวยังอยากอยู่ก็ต้องเอาอาหารที่จะกินนั่นรวมไปในบาทเลยนี่ข้อทุดงข้อที่สองช้นในบาทเอาอาหารทุกอย่างที่จะกินที่จะไปที่จะไปรวมกันในท้องเนี่ยใส่ไปใ น, ในบาทของขาวของหวานขนมนมเนย แล้วก็มีวิธีใส่สามแบบวิธีแบบไม่เค่งนัก็แยกมุมนึงข้ามุมหนึ่งกับข้าวมุมหนึ่งขนมมุมหนึ่งวิธีที่เข่งขึ้นมาหน่อยๆก็คือไม่แยกใส่เข้าไปใส่เข้าไปทับกันเข้าไปปอกกันเข้าไปวิธีที่สามที่แข่งจริงๆก็คนมันเลยคุก ม, มันเลยอ ทุกอย่างที่จะกินที่จะไปรวมกันในท้องนี่ก็มารวมกันในบาทก่อนทั้งของเค้าของหวานทั้งเครื่องดื่มกาวฟงกาวแปขนมเค้กอะไรใส่เข้าไปแกงเผ็ดแกงเขียวหวานอะไรเดี๋ยวมันก็ไปเจอกันที่ในท้องไม่ใช่เนมันจะไปไหนทําไมต้องแบ่งมันด้วยแบ่งแล้วมันก็ไปเจอกันที่ไหนมันก็ไปรวมกันในท้องอยู่ดีอันนี้กินเพื่อดัดกิเลส กินเพื่อกล้ากิเลสกินเพื่อไม่ให้กิเลสมายุ่งอันนี้กินแบบกินแบบปัญญาหรือมองร่างกายนี้ว่าเป็นเหมือนลูกหมาตัวหนึ่งก็กแล้วกันเวลาเาเลี้ยงเลี้ยงอาหารให้หมาทํำไงเราก็คุกให้มันเนี่ยมันกลับชอบเสนยอั ง, งคนเขาเรียกเขาเรียกข้าวกลนบาดพากว่าข้าวหมา เอาแต่ยะาโยมกับย่างกันกินนะเนี่ยถ้าเป็นข้าวกลบนบาทของครูบาอาจารย์เนี่ยโอย่างกันกินกินแล้วเป็นมงคลก็เชื่อกินแล้วจะร่ําจะรวยจะเจริญอจะเป็นใหญ่เป็นโตออยากจะได้อะไรก็จะได้ดังใจหมายถ้ากินข้าวกลนบาทของครูบาอาจารย์ เป็นสิริมงคลอันนี้ก็ทุดงข้อที่สองอันนี้ไม่บังคับแต่แนะนำข้อที่สามก็มือเดียวฉันมือเดียวฉันขนเดียวไม่ต้องรอให้ถึงเพลนตอนเช้าบินสบายกลับมาก็ฉันเลยฉันเสร็จก็ล้างบาตรเสร็จเก็บบาตร เรื่องฉันวันนั้นไม่ฉันอีกต่อไปจะฉันเนี่ยกวอีกครั้กงก็วันพรุ่งนี้อันนี้ก็จะทำให้ลดปริมาณของกิเลสลงได้ฉันมือเดีย ว, อ, อ, ยวอีกข้อหนึ่งก็ฉันด้บาศฉันมือเดียวแล้วก็มีบางวัดเขาจะถือรับอาหารแต่อาหารที่ได้จากบิณฑบาต ตาญาตโยมเอาหารี่มาถวายที่ศาลาจะไม่รับเอาแค่อาหารที่ได้จากบิณฑบาตอย่างที่วัดป่ามันตาวอดหลวงตามหาบลยช่วงพระเข้าพรรษาท่านจะถือข้อนี้ก็ไม่รั บ, บไม่รับอาหารหลังจากบิณฑบาตพอเข้าเขตวัดปั๊บก็ใครไปตาใส่ก็ไม่รับนะไปศาลาก็ไม่รับ ญาติโยมมันก็เลยต้องไปเข้าแถวอยู่ที่หน้าประตูวัดนะยาวเป็นกิโลเลยจริงที่ท่านให้ถือก้อนนี้เพื่อจะได้มักน้อยเอาแค่อาหารที่ได้บินธบาติก็พอแล้วไม่ต้องอาหารที่ญาติโยมตามมาเสริมมาใส่ให้ที่ศาลาแต่ญาติโยมมาจากที่อื่นนทำไมก่อนพระเขาจะบินธบาตแต่เฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กลวัด พอบินเสร็จออกจากบ้านก็กลับมาวันญาติโยมก็ไม่มาละไม่ตามมาพรกก็จะได้ไม่มีอาหารมากไม่ต้องมาคอยจัดอาหารกั น, นพอครูบาอาจารย์มีชื่อมีเสียงญาติโยมมาจากที่อื่นแหกันมาก็เลยมาตั้งแถวรอที่หน้าวัดกันเองก่าจะเสร็จหมดไปเกือบชั่วโมงบินตะบะหน้าวัดแล้วต้องขนอาหารที่ได้จาง ที่เขาใส่ขึ้นไปศาลาไปจัดไปแบ่งกั น, น mm hmm. อีเองขึ้นมาข้างบนได้นะ mm hmm. เข้ามาข้างในได้ฝน mm hmm. ตกเดียวเดียวแล้วมั้ง mm hmm. ี๋ยวก็หย mm ุด hmm. คิดว่าเทวดาปาน้ำมนตให้ก็แล้วกัน mm hmm. ถ้ายังไม่ตกสู้ก็นั่งไปก่อนเรานักปฏิบัติ mm hmm. อันนี้ก็เรื่องไม่รับอาหารหลังจากบินทบาทที่วัดป่ามันตานี่ท่านจะถือในช่วงเข้าพรรษาญาติโยมที่เขารู้เขาก็ต้องไปดักสายที่หน้าวัดหน้าประตูวัด <c oughs> นี่เกี่ยวกับเรื่องการฉันทุดงครวัตทุดงนี่จะเกี่ยวกับเรื่องฉันเรื่องที่อยู่ เ, เรื่องเรื่องเครื่องนุ่งห่มของพระเรื่องปัจจัยสีของพระ อันนี้เรื่องอาหารบินทบาตให้บินตบาตเป็นวัาเพื่อกำจัดความเกลียดข้านเสริมความเพีลิอให้ฉันในบาทให้แบบยินดีตามมีตามเกิดอาหารอะไรก็ใส่ไปเข้าไปอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปเลือกอาหารต้องกินอาหารอย่างนั้นกินอาหารอย่างนี้เอาใส่เข้าไปคนมันคุกมันไปเลย อขอยคอยว่ามักน้อยให้ฉันมือเดียวมักน้อยสันโดษสันโดดให้ฉันในบาทฉันมือเดียวให้มักน้อยแล้วก็ไม่รับอาหารหลังจากบินทบาทแล้วก็เหมือนกันให้มักน้อยมีมากแล้วมันยุ่งมันเสียเวลามากท้องมันก็มีใบเดียวขนาดใบเดียวถ้ามัน พอกับท้องแล้วมันมากไปกว่านั้นก็ไม่เป็นประโยชน์มีแต่จะเสียเวลาก็ต้องมาจัดอาหารมาแบ่งอาหารแจกอาหารให้คนอื่นนี <Okay. S 1> ่เกี่ยวกับเรื่องอาหารทุตโรควัดที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ท่านสอนให้อยู่ตามคนไม้ถ้าไม่มีวัดอยู่ไม่มีกุฏิอยู่ก็ให้ไปอยู่ อยู่ตามโคนไม้ไปทุ ด, ดงอยู่เวลาไปทุ่ดงนี่ก็ให้มีโกฎอันหนึ่งก็พอละเป็นโกฎก็เป็นล่มใหญ่ๆแล้วก็มีมุง้งครอบเป็นกุฏิเป็นที่อยู่อาสัยได้แล้ะไปอยู่ตามโคนไม้เรียกว่าลุกามูลาเสนาสนังอยู่โคนไม้หรือถ้าอยู่ในวัดก็อยู่ตามที่เขาจัดให้กุฏินายก็ได้ ทางวัดเขาจัดให้เราอยู่กุฏิไหนเราก็อยู่ไปให้ยินดีตามมีตามเกิดไม่เลือกก็ขอหลังนั้นได้ไหมขอหลังนี้ได้ไหมแล้วแต่ขอให้มีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอแล้วพออยู่ได้ก็เอาอันนี้ก็เรียกว่าตุ๊ดงควัดเหมือนกันให้ให้ยินดีที่อยู่ตามที่เขาจัดให้หรือให้อยู่ ในป่าเลือกหาที่อยู่ในป่าถ้าไม่ได้อยู่ในวัดก็ไปอยู่ป่าอย่าไปอยู่ตามสีแยกไฟแดงอย <laughs> ไปหรือให้ไปอยู่ป่าชา้าป่าช้านี่ท่านก็เป็นทุดโดงกกวัดภาพบางรูปก็ถือข้อนี้รู้สึกจะหลวงพ่ออนะไรที่อยู่ทางเหนือนะ่ที่ท่านก็อยู่ป่าชา้าหลวงพ่อกเกษตร ท่านถือท่านถือทุดองอยู่ป่าช้ามันเงียบไม่มีใครมารบกวนเพราะมันคนกลัวผีกันมันไม่มีผีหรอกผีมันอยู่ในใจเราเวลาเราอยู่ที่ไหนคนเดียวก็ผีมาแล้วกลัวขึ้นมาแล้วมาอยู่ที่ป่าช้ามันเป็นที่สงบที่เงียบเป็นที่เหมาะต่อการเจริญสมาธิปัญญา นั่งสมาธิแล้วใจจะสงบง่ายเพราะไม่มีใครมารบ ก, กวนแล้วก็มีปัญญาด้วยได้เจริญมรณานุสติแด้เราเลือกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพราะเราอยู่กับซากศพอยู่กับศพทั้งนั้นอยู่มีศพเป็นเพื่อนไม่มีคนตายไม่มีคนเป็นเป็นเพื่อนมองไปทางซ้ายก็ศพมองไปทางขวาก็ศพมองไปข้างหน้าข้างหลังก็ศพมันก็ทำให้เราเลือกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ พอเราเรถึงความตายอยู่เรื่อยกิเลสนี่มันโหดท้ายหมดเลยมันรู้จะตายแล้วมันจะโลภไปหาอะไรกันไม่รู้จะไปรวยทำอะไรเดี๋ยวก็ตายแล้วไม่รู้จะไปเป็นใหญ่เป็นโตกันทไมเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยคนเราที่อยากกันเนาะเนะพราะลืมความตายกันคิดว่าจะอยู่กันไปแบบไม่มีวันตายในโลกกันอยา ก, กันแล้วก็แย่งกันตีกัน ทะเลาะกันทำบาปต่อกันละกันเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้มาแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีก็ต้องไปติดชุกติดตารางกันอันนี้เพราะเรื่อมความตายถ้าเราเห็นความตายอยู่เรื่อยๆนี่มันจะไม่ประมาทมันจะมันไม่อยากได้อะไรมันจะคิดแล้วล่ะว่ากูตายไปแล้วจะไปไหนต่อ ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าทําบาปตายไปแล้วก็ไปอบายถ้าทําบุญก็ไปสวรรค์ถ้าฆ่ากิเลสได้หมดก็ไปนิพพานไปนิพพานดีกว่าไปแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตาย ที่กลับมาเกิดก็เพราะกิเลสนี่แหละเป็นตัวที่ดึงให้เรากลับมาเกิดพระพุทธเจ้าพระสาวกท้าไม้กลับมาเกิดแล้วเรามาบวชนี่ก็เพื่อที่จะไปเป็นพระสาวกไม่ใช่หรือคำว่าภิกษุนี้แปลว่าอะไรผู้เห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดภิกษุแปล ว, ว่าผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารก็คือการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังมีกิเลสอยู่ก็ยังจะกลับมาเกิดอยู่ เกิดในพบน้อยพบใหญ่ตายไปถ้าบาปทำบาปก็ไปเกิดในอบายถ้าทำบุญก็ไปเป็นเทศถ้านั่งสมาธิได้ก็ไปเป็นพรหมแต่ถ้ายังไม่ได้ชำระกิเลสยังก็ยังไปเป็นพระอริยะเจ้าไม่ได้ที่อยู่ที่อยู่ในป่าช้านี่มันก็จะทำให้ทำให้มีสติมีสตังมีปัญญาขึ้นมา น้เลือกถึงความตายอยู่เรื่อยๆก็จะทําให้ไม่ประมาทนอนใจจะขวนขวายจะเร่งทําความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้ายังไม่มีสติก็จะริญสติให้มีสติตลอดเวลาไม่ให้ใจลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีสตินั่งสมาธิใจก็จะรวมเป็นสมาธิได้อัปปนาสมาธิ จิตสงบเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้นี่นะอัปปนาสมาธิพอออกจากสมาธิมาก็มาเจริญปัญญามาสอนใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเช่นร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังพื้นไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยพักมาดูาบ้างก็บ่าไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดูแต่ตาดูแต่คิ้วดูแต่ปากแค่เนี้ยลำาซ่ลไส้ไม่เคยักอมาดูบ้างเนี <laughs> ่ยมีปัญญาแล้วมันจะไม่หลงไหลร่างกายว่าสวยว่างาม มันจะเห็นอาการทั้งสาวสิบสองอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำสเลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำเยี่ยวน้ำปัสสาวะเนี่ยมีอยู่ในร่างกายเนี่ยตอนนี้แหละพิจารณาให้มันเห็นแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วจะปรงจะวางร่างกาย ปล่อยร่างกายได้ไม่กลัวไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่มีความรักอยากจะได้ร่างกายของใครมาเป็นแฟนถ้าเห็นทั้งสามสิบสองอาการแล้วมันก็มันก็รู้ว่าอ้อไม่เหมือนกระเป๋าเนี่ยมองข้างหน้าก็สวยลองเปิดก็ไปดูมีแต่ขยะนะ <c oughs> ถ้าเป็นขมโมยตอนต้องก็คิดว่าใส่เงินร้อยเงินล้านอยู่ในกระเป๋าพอเปดิดดูมันเป็นแต่ขยะที่ชุ่งที่ชู่ใช้ไม่ไหอเนี่ยการที่ไปอยู่ในป่าชา้าทำใหม้มีเวลาปฏิบัติได้เยอะมันจะไม่ขี้เกียจ น, นอนก็ไม่อยู่เฉยไม่ได้เดี๋ยวเผลอคิดถึงผี ต้องคอยควบคุมใจให้มีสติอยู่เรื่อยๆแต่พอมีสติจิตสงบแล้วมันก็จะไม่ไม่คิดถึงผีอีกต่อไปคิดถึงผีมันก็ไม่กลัวมันก็รู้ว่าผีคืออะไรผีก็คือใจที่ไม่มีร่างกายนี้แล้วเขาไม่มีเวลามาหลอกเราเขาก็ต้องไปตามตามความโลภความอยากของเขาไปใช้บุญใช้กรรม ของเขาไปเขาไม่มีเวลาถ้าเขามาก็ามักจะมาปรับทุกข์มีผู้ปฏิบัติ บ, บางท่านนี่ท่านสามารถติดต่อกับพวกผีได้พวกกายที่พวกที่ตายไปแล้วบางทีก็ เ, เป็นพวกที่ตายไปมีความทุกข์เพราะตอนที่ยังไม่ตายไปทำอะไรไม่ดีก็เลยถูกเขาฆ่าตายมาตายแล้วก็มีความทุกข์เสียใจก็มาปรับทุกข์ให้กับพระ กับคนที่สามารถติดต่อได้พระก็เมตาสั่งสอนว่าเนี่ยไม่ให้รู้โทษของการทําบาปเนี่ยทำบาปแล้วก็ต้องถูกลงโทษนีถ้าไม่อยากจะทําบาปก็ยต่อไปอย่าไปทาบาป mm hmm. ตอนนี้ก็ใช้กรรมไปก่อนเดี๋ยวหมดกรรมแล้วเดี๋ยวกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ mm hmm. มาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะได้ตั้งใจทําบุญไม่ทําบาป ทำแบบพระอาจจะออกบวชตามพระไปก็ได้ mm hmm. การอยู่นีทุดงกวัดให้อยู่ปา่าช้าอยู่ในป่าอยู่ตามโคนไม้อันนี้เป็นเป็นข้อปฏิบัติที่จะส่งเสริมการบาเพญ็ญการปฏิบัติให้บรรลุได้เร็วขึ้นทุดงนี้เหมือนกับน้ำมันพิเศษนะ ถ้าเติมน้ามันธรรมดามันราคาถูกแต่มันมันกำลังไม่มากถ้าเติม95นี่มันแรงสำหรับรถแข่งพอพอเหยียดคันเร่งนั่นก็พุ่งปุ้ดเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าถ้าถือทุดูลงขวานก็เหมือนเติมน้ามันพิเศษเข้าไปทำให้ความเพียนทำให้สติให้สมาธิให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ง่าย นี่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับเครื่องนุง่งห่มก็ให้ถือผ้าบางสกุลคำว่าผ้าบางสกุลก็คือผ้าหอ่อศพสมัยโบราณพระเขาไม่มีใครตัดเย็บจีวรสําเร็จให้หรอกพระต้องไปหาผ้านำมาตัดเย็บกันเองผ้าที่หาได้ก็เป็นผ้าที่หอ่อศพผ้าที่ทิ้งในป่าช้ากัไรอย่างนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วมีก็แบบ แบบบางสกุลเทียมยที่ไปผ้าอยู่ที่หน้าศพก่อน<ม>ที่บนเมนก่อนจะเผาเนะ่ย<ม>เขาก็เอาผ้าที่ตัดเย็บสันหลังลาบเป็นผ้าตายวางผ้าไว้บนวางไว้หน้าลงศพแล้วก็เอาผ้าไปชักผ้าบางสกุล<ม>อันนั้นเป็นบางสกุลเทียมไม่ไม่ถือว่าเป็นทุน้ดองขอวายใช่ไหมไม่หรอกมันต้องไปเอาผ้าที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าหรือผ้าทิ้งตามกองขยะเนี่ย คือเศษผ้าแล้วก็เอามาปามาเย็บมาตัดมาต่อแล้วก็มาซักมาย้อมอย่นี้เกก็ผ้าบางสกุลมันจะเป็นเหมือนผ้าคีลิ้วเนี่ยผ้าคีลิ้วเอาไปเก็บผ้าคีลิ้วมามาผสมมาตัดมาเย็บกันสมัยก่อนไม่มีใครถวายผ้าไงสมัยยุคแรกๆนี่มีมีเพียงแต่สายบาดอย่างเดียวสมัยที่พระพุทธเจ้าตัดสร้ยใหม่ๆตรงที่ สั่งสอนประกาศธรรมครั้งแรกๆนี่ไม่มีการถวายผ้ามีแต่บินธบาตผ้าก็ไปหากันตามป่าช้ากันยุคแรกๆนี้จะใช้ผ้าบางสกุลกันนี้ต่อมาผ้ามีศรัทธาคนบวชมากขึ้นมากขึ้นผ้าในป่าช้าหมดนองค์ตจ่าเลยบอกให้ต้องถวายผ้าแล้วเว้ยถวายผ้าเป็นผ้ากระถิ่ยที่มาของผ้ากระถินก็คือผ้าไม่พอใช้แล้ว ก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ถ้าถ้าไม่มีผ้าพ้าก็จะไม่มีผ้าใส่กันก็เลยก็เลยมีการถวายผ้ากรถินส่วนพวกที่เเข่งเเข่งบางทีเขาก็ไม่เอาก็ยังไม่รับผ้ากระถินเขาก็ไปหาผ้าผ้าผ้ามังสกุลต่อแต่ถ้าบางทีมันไม่มีมังสกุลก็ต้องเอาผ้าที่เ้าถวายให้มาก็ยังเป็นผ้าขาว แล้วก็เอามาตัดมาเย็บอยู่ถือผ้าบางสกุลเป็นวสมัยนี้ไม่มีแล้วแต่สมัยของปู่มั่นได้ท่านเล่าหลวงตาท่านเล่าว่าหลวงปู่มั่นนี่ท่านถือผ้าบางสกุลอยู่เรืออาจะเป็นผ้าแบบว่าไม่ใช่เป็นผ้าสำเร็จรูปที่เขาตัดเย็บมาถวายแล้วผ้าป่านี่ยเขายังไม่ไม่เอาผ้าสำเร็จรูป ผ้าที่ยาตยมซื้อเป็นตายมาถวายพระป่านี่ก็ไม่ใช้หรอก mm hmm. เขาจะเอาผ้าผ้าขาวเนี่ยมาตัดมาเย็บมาซักมาย้อมกันเพราะจะได้ขนาดของใครของมันผ้าที่ยอมซื้อมาบางทีมันไม่ได้ขนาดของผ้าแล้วไม่ได้ไม่บางทีตัดแล้วคุณภาพไม่ดีาตามร้านนี่มันบางทีทําแบบรีบๆาบางทีใช้ได้สองสามทีฉีกขาดก็มี เป็นพระป่านี่ยเขาจะนิยมตัดเย็บผ้าจีวรของเขาเองเอาผ้าขาวที่ได้จากพระกระถินเนี่ยช่วงกรถินนี่เขาจะมีเดือนหนึ่งเป็นช่วงตัดเย็บจีวรของพระพระป่าเขาก็จะใช้เวลานั้นตัดผ้าผ้าผืนไหนเก่าแล้วใช้ต่อไปไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนเขาก็มาตัด มีสามผืนผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวเรียกว่าผ้าไต้ผ้านุ่งก็เรียกว่าสมองผ้าห่มก็เรียกว่าจีวรผ้ากันหนาวอันนี้สองชั้นเรียกว่าสังคติผ้าที่พระใช้ผ้าไหลเวลาทำพิธีกรรมเนี่ยเรียกเป็นผ้าผ้าสังคติผ้าไว้สาหรับห่มกันหนาวในยุคแรกๆนี้ไม่มีผ้าไตมีแค่สองผืน มีแต่ผ้านุ่งกับผ้าหม่มมีสบงกับจีวรแล้วต่อมามีคนมาบวชกันเนยอะพวกที่บวชนี้มาบวชทีหลังนี้ยังปฏิบัติธรรมไม่เป็นสติสตังยังไม่ดีสมาธิยังไม่มีเวลาเจออากาศหนาวสู้ไม่ไหวสำหรับยุคแรกๆนี่เขาเป็นพระอาหารหันต์กันก็มีสติสมาธิปัญญา เวลาเจอความหนาวนี่เขาเฉยๆเขาอยู่กับมันได้พระ ก, ก็เลยมาขอร้องพระพุทธเจ้าว่าหนาวาเกินพาะแค่พืนเดียวนี้ไม่พอพระพุทธเจ้าก็เลยพิจารณาตอนตอนหัวค่ำตอนหกโมงถึงสี่ทุ่มก็ใส่จีวรผืนหนึ่งนุ่งจีวรผืนหนึ่งแต่พอถึงสี่ทุ่มอากาศมันเริ่มเย็นมากขึ้นก็เลยเอาจีวรหนอึ่งผืนมาห่มก็หม่มถึง ตีสองพอตีสองก็ยังมันก็หนาวเอมันก็เย็นเพิ่มขึ้นก็เลยเอามาห่มอีกผืนหนึ่งจึงเห็นว่าต้องถ้าต้องมีสักสามผืนห่มถึงจะหายถึงจะสู้กับหนาวได้พระจ้า ก, ก็เลยอนุ ญ, ญาตให้เพิ่มอีกผืนหนึ่งแต่ทําเป็นผืนเดียวแต่ทําเป็นสองชั้นพระสังคติผ้าที่เห็นเยอะผ้าผ้าหลายนี้เป็นจีวรสองชั้น เอาไว้สำหรับหมกันหนาวแต่ที่ให้ไปพ้าหลายก็คือสมัยก่อนไปไหนมาไหนจะไม่มีที่อยู่มิชิดแล้วผ้าหายากถ้าไม่เอาติดตัวไปเดี๋ยวโดนขโมยเวลาบินสบายก็ต้องซ้อนผ้นนาทั้งสามผืนนี้ไปผ้าจีวร น, นี่ผืนหนึ่งผ้าสังกะิีอีกผืนผ้าปา่านี่เวลาบินสบายนี่ถ้ากัหมผ้าสามสามชั้น พอเป็นธรรเนียมต้องเอาผ้าติดตัวไปทั้งสามผืนให้ครบสำรับผ้าไตานี้พอถ้าทิ้งไว้ที่พักเช่นเป็นไปทุ่ดงไปอยู่ในป่าไปทิ้งไว้เดี๋ยวไม่ดีดิงมันก็มาดึงออกไปก็ได้หรื อ, อคนไม่มีผ้าคนอยากจะได้ผ้าก็ เ, าเห็นผ้าเขาก็จะขโมยไปได้อันนี้ก็เลยให้ถื อ, อให้ถือผ้าหนึ่งหนึ่งสำรับ คือถือชุดเดียวผ้าไตาถ้ามีคนมาถวายอสองสามตายก็สละไปไม่เอากี่เกล็ดเก็บไว้เก็บ ไ, ไว้ก็เป็นพระละมันก็เหมือนกันมีพระอีกสองชุดมันก็ดูไม่ต่างกันหรอกผ้าผ้าของพระมีกี่ชุดมันก็ดูไม่ออกสีมันก็สีเดียวกันไม่เหมือนของโยมมีสามสี่ชุดนี่มันมีมีสีสันต่างกันมีสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีชมพูบ้าง แล้วเราซักทําความสะอาดทำยังไงก็แล้วก็นี่หละก็เวลาทําความสะอาดก็ไม่ต้องใส่มันเลยก็ต้องรอให้รักให้มันให้มันแห้งก็อย่าไปสร้างตอนที่เราต้องใส่สิหลังตอนนี้เราไม่ไม่ใส่เชนหลังจากบินนาบาเสร็จกับกุตินี่ก็ไม่ต้องใส่เราก็เอาไปซักเราไม่ซักทุกวันหรอกพระพระพระจีวรเนี่ยพระจีวรท่านจะซักกันสองอาทิตย์ถึงจะซักกันละครั้งหนึง สมัยวัดป่านี่ก็จะซักด้วยน้ําร้อนก็จะต้มน้ำน้ําร้อนต้มเอาแก่นันุนใส่เข้าไปเพราะมันจะทําให้ออกสีเหลืองๆเราก็ซักย้อมด้วยผ้าผ้าต้มน้ําต้มน้ําต้มเดือดๆใส่เข้าไปในกาละมังแล้วก็ผ้าใส่เข้าไปสมยัยโบราณก็ไม่มีแฟบก็ไม่มีอะไรแ้วก็เลยต้องใช้วิธีใช้ซักผ้าด้วยการใช้น้ําร้อนต้มน้ําร้อนซักกัน แล้วทวางก็จะทําจัดเวลาทําพร้อมๆกันวันนี้เป็นวันซักผ้าทุกกคงก็ซักพร้อมกันหมดเลยลอยู่วัดตาก็จะทําทเป็นเป็นงานงานพร้อมเพียงกันไม่ให้ทุกคนนี้ทําวันคนนั้นทําวันเดี๋ยวก็ไม่ต้องทําอะไรกันแตตามวัดบ้านอย่างนี้เขามีผ้าสําเร็จรูปผ้าที่ไม่ต้องซักน้าร้อนผ้าที่ซักน้ำเย็นแล้วก็สีก็ไม่จางไม่นานลายใช้แฟบได้ อันนี้ผ้าผ้าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็มีผ้าสำรองกันเพราะเขาต้องใช้ทำพิธีกรรมเยอะเดี๋ยวเยาวมก็มานิมนรับสังฆทานนิมนท์สวดตังสกุลอะไรต้องใช้ผ้าอยู่ตลอดเวลาแต่สลหรับผ้าป่านี่จะใช้แต่เฉพาะเวลาบินธบาตฉันนั้นฉันเสร็จกินเนี่ยยากก็อยู่ในป่าในเขาตอนนั้นก็ไม่ได้ใช้ผ้าผ้าตายละใช้ผ้าก็เียก็ผ้าอาศัย คือผ้าที่ผ้าอาบน้ำกับอังษะที่เราเห็นเนี่ยก็พอลนะอันนี้ซักทุกวันผ้าอาบน้ำผ้านุ่งกับผ้าอ่างศ น, นี็ใช้ซักทุกเวลาอาบน้ำก็ใช้เป็นผ้าอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ซักเลยแล้วก็เปลี่ยนผ้าอาบน้ำเอีกผืนหนึ่งแทนอังษะก็อีกผืนหนึ่งจะมีผ้าอาบน้ำสองผืนมีอ่าง ส, สองชิ้นไ่สนับเปลี่ยนกัน แล้วก็มีผ้าตายหนึ่งชุดไว้สำหรับใส่ทำพิธีต่างๆเวลาบิณฑบาตเวลาไปทาไปที่ไหนออกนอกวัดไปก็ต้องห่มจีวอรอะไรพวกนี้ไปกอาวถือสำหรับเดียวผ้าป่าสมัยก่อนไม่มีผ้า อ, อน้ำมีมีขั้นหนึ่งมีมีม มีพระที่อยู่ในวัดกับพระพุทธเจ้านี่เนแล้ววันนั้นฝนตกพอดีมีนางวิสาขานี้ซึ่งเป็นอุบาสิกาที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีศรัทธาอยากจะนาทำน้ำปานะมาถวายพระก็เลยให้คนใช้ไปที่วัดไปดูว่ามีพระกี่ลูก พอลราพอไปถึงที่วัดนี่ฝนตกลงมาฝนตกหนักพระท่านนานๆจะได้อาบน้ําฝนกันท่านก็เลยเปื้องผ้าอาบน้ําฝนกันพอคนใช้ไปเห็นพระอาบน้ําฝนแก่ผ้าก็เลยกลับเลยกลับมาก็ไปบอกนางวิสาขา ว, ว่าที่วัดไม่มีพระเลยมีแต่ชีเปลือยอาบน้ําฝนกัน น้ำวิสาขาแกฉลาดแกรู้ว่าพระไม่มีผ้าอาบน้ำฝนพอนดีฝนตกก็เลยเือโอกาสอาบน้ำก็เลยไปกราบทูลขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝนเวลาพระเวลาฝนจะอาบน้ำฝนจะได้ไม่ต้องเป็นชีปเปื่อยเพราะสมัยนั้นไม่มีผ้าอาบน้ำฝนมีแต่ผ้าสบงถ้าอาบมันก็เปียกเดี๋ยวมาใส่ไม่ได้อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของ การถวายผ้าน้ำฝนในช่วงเข้ากันสาอันนี้ก็เรื่องของผ้าให้ถือบางผ้าบางสกุลหรือไม่เช่นนั้นก็ถือหนึ่งถือหนึ่งชุดก็พอผ้าตายหนึ่งชุดไม่ให้มีมากกว่านั้นมีเกี่ยวกับที่อยู่อาศายผ้าเครื่องหง่มแล้วก็ทีนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติ ก็ให้มีเนสัตชิกเนสัตชิกแปลว่าให้ถือสามวิริยาบทคือจ ะ, ะไม่ไม่ไม่ถือท่านอนจะเอาแค่เดินยืนกับนั่งถ้านอนแล้วมันจะนอนมากมันจะขี้เกียจก็ให้ถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในท่านั่งหรือท่ายืนหรือท่าเดินไปมันจะได้พักไม่นานหลับไม่นานเช่นถ้านั่งหลับนี่เดียวชั่วโมงสองชั่วโมงก็เต้นละ แต่ท่านนอนนี่บางทีห้าหกชั่วโมงท่านอยากจะเล่นความเพียรอยากจะบรรลุอยากจะไปถึงนิพพานอยากจะหลุดพ้นเร็วล เ, เพราะกลัวว่าเดี๋ยวตายไปก่อนเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเพราะชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้งั้นตอนนี้มีโอกาสมีเวลารีบปฏิบัติ ด, ดีกว่าเ้าก็จะมีการถือในสัชิกัน วัดป่าบางวัดก็วันพระนี่เขาก็จะถือเนสัตชิกันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติกันไม่นอนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุตุลกขวัดไม่บังคับแต่เชื้อเชิญแนะนำแต่ถ้าไปอยู่วัดที่เขาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามเขาเพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามเขาเขาก็ไม่ให้อยู่ เขาไม่บังคับแต่เขาก็ไม่ให้อยู่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามเขาก็คุณก็ยักคุณก็ไปอยู่ที่วัดอื่นในวัาปฏิบัตินี้เวลาเขารับใครเข้ามาเขาถึงต้องดูคนก่อนหรือว่าจะปฏิบัติตามที่เขาปฏิบัติกันได้หรือเปล่าถ้าปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะทําให้เกิดความแตกแยกแบ่งเป็นเป็นกกเป็นเหล่าไปต้องปฏิบัติพร้อมเพรียงกันมันถึงจะทําให้ มีกำลังใจ <c oughs> นี่คือเรื่องของธุดงควัดที่เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้พระถือกันถ้าถือได้ถ้าอยากจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติอันนี้ก็ต้องแต่ก็ต้องดูกาลเทศะเราไปถือธุดงกับได้วัดที่เขาไม่ถือธุดงเดี๋ยวก็ยุ่งองีก เขาฉันสองมือเราฉันมือเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเขารับกิดนิมนต์เราไม่รับกิจนิมนต์เนี่ยเดี๋ยวก็ยุ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติต่างๆที่เสริมความเพียรของพระญาติโ ย, ยมไม่รู้ญาติโยมกับอยากจะให้พระอยู่สบายกินสบายนอนสบายไม่อยากให้พระลาบาก โยมได้บุญแต่พระจะได้นะลกเ่อเข้าใจไหมโยมทำบุญอย่างอื่นดีกว่าใส่บาทอะไรนี้ไปดีกว่าแต่ก็ไม่ว่านะถ้ามีวัดที่เขาเขาอยากให้โยมไปช่วยกวาดเข้าไปทำอย่างอื่นก็ได้ ธรรมด า, าพระจะทำทุกอย่างเลยพระป่าเนี่ยห้องซ่งห้องซ่วมก็ล้างกันเองอะไรกันเองที่วัดป่าบ้านตาสมัยที่เราอยู่ไม่มีน้ำก๊อกไม่มีน้ำประปาต้องเอาน้ำจากบ่อใส่ปีบ๊บแล้วก็ใส่รถแล้วก็ไปเทตามใส่ตามตุ่มในห้องน้ำต่างๆมันทำให้ต้องขยันต้องมีความเพียรกันทำให้มันเวลาปฏิบัติมันจะไม่ขี้เกียจ ท่านั่งเฉยๆนอนเฉยๆอยู่เฉยๆมีแต่สวดมีแต่ตั้งน้ำมยเวลาเดินจงคมก็ก้าวไม่ออกบินระบาดก็ไม่อยากจะบินยาโยมนคนยิ่งเมตตาส่งอาหารปิ่นโตมาให้ทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเรื่องของ การปฏิบัติธรรมที่ญาติโยมอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เข้าใจก็เลยอธิบายให้ฟังว่าทำไมพระต้องลำบากเพราะความลำบากทำให้พระมีความแก่งดูพระพุทธเจ้าท่านแก่งเพราะท่านอยู่อย่างลาบากอยู่อย่างยากจนจิตใจท่านแก่งจิตใจท่านไม่หวั่นไหว กับความทุกข์ยากลําบากต่างๆถ้าสุขสบายเวลานั่งสมาธิเจ็บหน่อยก็ทนไม่ได้ลนะพอเจอความเจ็บหน่อยก็ขอขยับแล้ะถ้าขยับแล้วภาวนาไปจนมันตายก็ไม่มีวันที่จะอะ่บรรลุได้คนที่จะบรรลุนี้ต้องนั่งผ่านความเจ็บให้ได้ต้องไม่ขยับต้องให้ความเจ็บมันปล่อยอยู่มันไปตามเรื่องของมันมันจะหายก็หายมันไม่หายก็ให้มันอยู่ของมันไป แต่ใจเราต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าเรามีสติมีพุทธโธพุทธโธเราก็บริกรรมไปเดี๋ยวใจนิ่งมันก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายแล้วต่อไปเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่มีปัญหาเวลาไม่สบายก็สามารถที่จะทนให้มันหายเองได้โรคบางอย่างนี่มันเป็นเองเดี๋ยวมันก็หายเอง ไม่ต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลบางทีใช้การนั่งสมาธิช่วยใช้ธรรมะอุปสนนั่งแล้วใจสงบเดี๋ยวความเจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันก็หายของมันไปเราจะทำให้เราไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายอันนี้นี่ลหละคือเรื่องของความทุกข์ยากลำบากที่จะมาเสริมความเสริมบรารมีของพระ เสริมพลังให้จิตใจมีกำลังแก่แ ก, ก่กล้าต่อสู้กับทุกข์ต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากความอดอยากขาดแค้นเนี่ยผ้าป่านี่สบายอดข้าวที่เราสาวันห้าวันไม่เดือดร้อนอะไรขอให้มีน้ำดืมม่มอยู่ได้แล้วก็เจอความเจ็บปวดตามร่างกายก็ทนได้ เจอความตายก็ยอมยอมตายปองได้เนี่ยจะไม่มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่อย่างสบายดีกว่ า, ายาดโยมอยู่แบบวุ่นวายมีเงนินมีทองมีอะไรเต็มไปหมดแต่กลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายกันอยู่นั่นเห็นผมเขาเส้นเดียวก็กลัวเมันนะ เห็นหนังหิวหน่อยก็กลัวมนะัน่ะพอเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ไหนก็กลัวแล้วเป็นอะไรเมันอะไรรู้เปล่าเป็นนู่นเป็นนี่รู้เปล่าอพอไปเห็นคนตายที่โหใจเศร้าเศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยจิตใจถ้าเราไม่มีธรรมะมันจะเป็นอย่างนี้ เราไม่เอาธรรมะเป็นที่พึ่งกันเราเอาเงินทองเอาข้าวของเอาคนนั่นคนนี้เป็นที่พึ่งกันมันก็เลยพึ่งไม่ได้ถึงเวลาที่มันเจอความทุกข์ยากลำบากนี่ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากธรรมะนะถ้ามีธรรมะมีสติมีปัญญาโอ้โหมันสู้กับความทุกข์ยากลำบากได้อย่างสบายไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนมีเงินทองเท่าไหร่ก็ ช่วยไม่ได้เวลามันเจ็บนี่เงินทองก็ดับความเจ็บไม่ได้เวลาตายก็ห้ามตายไม่ได้เอาน่าขอให้เรามาสร้างธรรมะกันดีกว่าธรรมสานังรรรกชามินสร้างธรรมะสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาอันนี้แหละจะทําให้จิตใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเวลาเวลามีความทุกข์เราจะมีที่พึ่ง จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเรามีธรรมะมีศรรมีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าเราไม่มีแล้วใจเราจะหวั่นไหวใจเราจะวุ่นวายใจเราจะเดือดร้อน<ม>ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พรยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคะรัง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 มาเตพาวตะวันตารายุสุขีทีคายุโกภาวะอะพิวะธนสีลิศะนิจังวุทธาปจายนโนจตารูธรมมวะทานติอายุวันุสุขังภาลางอันนี้เข้ามาท่าไหรเฟซบุ๊ก สทรทา ง, ง y o u t u เ e 76สิบหกค่ะรวมกันก็สี่ร้อยกว่าสีา่้อยหกสิบอ่าวันนี้เปิดคาถามเพราะไม่ได้ถามมาสองวันละอเดี๋ยวประมาณสักครึ่งชั่วโมงทั้งยี่สิบนาทีคำถามทางยูท b e จากคุณลาวันค่ะขอพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ขอโทษนะคะขอพระอาจารย์อธิบายคำว่าธรรมะนั้น ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหมายความว่าอะไรคะไม่รู้เหมือนกันเราต้องยึดถ้าไม่ลยึดธรรมะเราจะไปยึดอะไรอ่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนใจคำนี้เลยสนใจว่าให้ถือธรร ม, มังสานันกระชามีไปก่อนก็แล้วกันถ้าเรายังไม่มีกำลังที่จะพึ่งตัวเองได้ก็ต้องพึ่งธรรมะไปก่อนความหมายก็คือว่าให้เราพึ่งธรรมะไปก่อนจนกว่าเราจะพึ่งตัวเราเองได้ เมื่อเราพึ่งตัวเราเองได้แล้วก็ไม่ต้องพึ่งอะ ไ, ไรแต่ตอนนี้ถ้าเรายังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งธรรมะไปก่อนเหมือนเด็กที่พึ่งคลอดออกมาใหม่ๆนี่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพ่อแม่ไปก่อนจนกว่าจะโตแล้วทาอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเองได้แล้วก็ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่อีกต่อไปความหมายก็เป็นอย่างนั้นการพึ่งตัวเองนี่ต้องพึ่งธรรมะก่อน ธรรมะจะสอนให้เรารู้จักวิธีพึ่งตัวเองพอเราหลุดเป็นหลุดพ้นเป็นผ้าอรหันแล้วก็ไม่ต้องพึ่งผ้อาอรหันนีจ้จะไม่ยึดติดกับทำอะไรทั้งปวงแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นยังต้องยึดธรรมะอยู่เพราะธรรมะจะพาให้ไปสู่จุดที่ไม่ต้องพึ่งอะไรถ้ายังพึ่งยังต้องพึ่งก็ต้องต้องพึ่งต่อไปก่อนคําถามจากคุณเฟิร์สตีค่ะอยากให้พระอาจารย์อธิบายการทําอานาปานสติ ที่ถูกต้องทําอย่างไรบางทีเหมือนเราไปบางครับไม่เป็นธรรมชาติครับ อ, อ๋อบังคับไม่ได้หรอกให้ดูเฉยๆดูว่าตอนนี้ลมหายใจ อ, อ่าเป็นอย่างไรหายใจเข้าหายใจออกออหายใจสัน้นหายใจยาวออก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราเพียงแต่เป็นคนดูเฝ้าดูมันเหมือนดูหนังเนี่ยเวลาดูหนังเราจะไปกํากับให้หนังเป็นอย่างนั้ น, เ ป, น, น, นเป็นอย่างนี้ได้ไหม ไม่ได้เนะเราก็ดูเฉยๆไปหนังเ็าจะยิงกันเ็าจะรักกันเขาจะโกรธเกลียดกันอะไรก็เราก็ดูไปดูลมก็เหมือนกับดูหนังให้ดูไปเฉยๆอย่าไปบังคับลมอย่าไปบังคับให้หายใจยาวอย่าไปบังคับให้หายใจสัน้นให้มันมันหายใจสั้นหรือยาวก็แล้วแต่เพราะแล้วแต่เราทำอะไรกับร่างกายถ้าร่างกายทำงานมาใหม่ๆมันก็จะหายใจสัน้น ถ้าไม่ได้ทํางานหนักมันก็หายใจยาวอแล้วยิ่งถ้านั่งไปใจเริ่มสงบมันก็จะยิ่งหายใจเบาลงเบาลงละเอียดเข้าอก็ให้รู้เราต้องการใช้การดูลมเป็นการดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองงั้นเป้าหมายให้ดูว่าเราคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้ดูลมแล้วเราต้องกลับ ม, มาดูลมถ้า ไ, ไปคิดถึงขนมนมเนยคิดถึงแฟนคิดถึงเพื่อน คี่ถึงอะไรต่างๆนี่สแสดงว่ามันไม่ได้ดูลมนะต้องกลับมาดูลมตอนนี้หายใจเข้าเนื้อหายใจออกแค่นี้เองดูลมนี้มันจะเมะื่อตอนที่เรานั่งนั่งหลับตาแล้วก็ดูลมถ้าเวลาไม่ได้นั่งนี่เวลาทําอะไรให้ดูร่างกายดีกว่าดูการกระทําของร่างกายดูแขนดูเท้าว่ากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้อันนี้เป็นการเจริญสติอา น, นาปณะสติแปบลบว่า การเจริญสติด้วยการดูลมเข้าลมออกอาณาแปลว่าลมเข้าปานะแปลว่าลมออกอาณาปานะสติคือการตั้งสติการเจริญสติด้วยการดูลมเข้าลมออกการตั้งสติก็คือให้จิตรู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้ไปรู้อยู่กับหลายเรื่องไม่รู้ไม่ให้ไปรู้อยู่กับความคิดต่างๆ เรื่งฝึกปฏิบตัติตามดูลมหายใจแต่กลายเป็นว่าขณะที่จิตเราดูลมเหมือนเราไปกำหนดลมหายใจแทนว่าหายใจเข้าพุทธกำหนดลมหายใจออกเป็นโทแบบนี้ลูกทาถูกหรือเปล่าคะจิตมันยังไม่เป็นธรรมชาติเหมือนลูกไปกำหนดมันอยู่ควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะก็ลองดูเฉยๆเลยดูเฉยๆไม่ต้องไปพุทไม่ต้องโทไม่ต้องไปกาหนดไม่ต้องไปอะไร ดูว่าตอนนี้ลมมันหยุดช่วงไหนอยู่ช่วงเข้าหรืออยู่ช่วงออกกําลังเข้าหรือกําลังออกสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดถ้ายังดูไม่ได้ก็อย่าเพิ่งดูลมเอาพุทโธอย่างเดียวไปก่อนต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปเอาสองอย่างแล้วมันยุ่งยากมากมากเรื่องเอาอย่างเดียวดีกว่าถ้เอาพุทโธก็ไม่ต้องเอาลมไม่ต้องดูลมดูลมก็ไม่ต้องเอาพุทโธอ เบญจาวันนี้สติไม่ค่อยดีเลยค่ะโดนกิเลสเล่นงานทำงานต่อไม่ได้หนูขอคำสอนจากพระอาจารย์ว่าถ้าช่วงไหนหนูฟุ้งซ่านมากๆ ค, คิดปุ้งแต่งมากๆหนูจะปฏิบัติอย่างไรครับให้นึกถึงความตายบ้างไปฟุ้งทำไมเดี๋ยวก็ตายแล้วตายแล้วปัญหาต่างๆมันก็หมดไปเองใช่ไห ม, ไมไ ล, <laughs> ลืมตาย <laughs> ถามจากคุณสายพานทุกวันนี้หนูตื่นตีหนึ่งตีสองทุกวันมาหลายปีเจ้าค่ะหนูภาวนาแต่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรที่พบกันและกําลังนี้เรื่องมีราวขึ้นลงขึ้นสารกันพวกเขาพวกเขาจะได้ไหมคะทําไมจิตใจพวกเขาถึงร้ายผิดมนุษย์ยอมเสียเงินเสียทองเพื่อซื้อคนของหนูไปเป็นพวกและคนของหนูก็ไปเป็นพวกเขาหมดด้วยอํานาจเงินของเขาเจ้าค่ะ แบบนี้เขาไม่ยอมหยุดทำร้ายหนูสักทีหนูควรจะทำอย่างไรต่อไปเจ้าคะหนูก็อยู่เฉยๆไปวาก็ทำไปคิดสียว่าตายไปก็ไม่มีใครได้อะไรไปตายไปก็ไม่ไม่มีใครเอาอะไรไปทั้งนั้นไม่มีอะไรเป็นของใครหนูอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของเขาก็อยากจะทำดีทำชั่วก็ปล่อยก็ทำไปถ้าเราป้องกันตัวเราได้เราก็ป้องกันไปหลบได้เราก็หลบไป ถ้าป้องกันไม่ได้หนมไม่ได้ก็ให้เขาให้เขาทำไปแต่อย่าไปยุ่งกับเขายิ่งไปห้ามยิ่งยุคใหญ่ปล่อยให้เขาทำตามเรื่องของเขาไปคิดสต่ว่าเป็นกรรมเป็นวิบากของเราก็แล้วกันคำถามจากคุณธั ญ, ญพรเดินจงกรมจำเป็นต้องเดินช้าๆช้าไหมเจ้าคะถ้าเดินเร็วขึ้นแต่มีสติรู้ขนาดเดินหรือรู้ลมหายใจจะเรียกว่าเดินจงกรมไหมเจ้าคะ เดินไม่ต้องช้าไม่ต้องเร็วตามใจแล้วแต่เราไม่ต้องเดินแบบคนหัดเดินนั่นอันนั้นไม่ก้าวเนาะวางเนาะยกเนาะก้าวเนาะวางเนาะอันนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีเดินจงกรมที่ถูกต้องเดินจงกรมแบบให้มีสติรู้อยู่ว่าเรากำลังเดินไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จะช้าก็ได้จะเร็วก็ได้แล้วแต่บางโอกาส บางทีง่วงนอนก็เดินมันเร็วซะหน่อยมันจะได้แก้ง่วงได้บางทีไม่ง่วงก็เดินบบัสบายสบายเดินแบบภาบินทบทนัติน่ะเดินจนกว่าให้เดินแบบนั้นแต่ให้ใจมีสติอยู่กับตัวไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการเดินเช่นซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือจะดูลมถ้าดูลมได้อยากจะดูลมก็ดูลมไปก็ได้ คถามจากคุณโอมบรบกวนพระอาจารย์ช่วยอธิบายถึงวิปั ส, สนาญาณและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อบรรลุวิปัสนาญาณครับวิปัสสน า, า, นสสนาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงอรู้ความจริงที่พวกเราตอนนี้ไม่รู้กันความจริงอะไรที่เราไม่รู้กันไม่รู้ว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราไปเห็นว่าทุกอย่างเที่ยงเป็นสุขเป็นของเรา เราต้องมาดูว่าจริงๆมันเที่ยงแล้วไม่เที่ยงมีอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลงบ้างไหมทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันมีเจริญมันมีเสื่อมแต่เราอยากจะให้เจริญอย่างเดียวพอมันเสื่อมเราก็เลยทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่ามันต้องเสื่อมเราเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความเสื่อมเวลามันเสื่อมเราก็จะไม่ทุกข์เราต้องดูว่ามันของเราหรือเปล่าตายไปเราเอาอะไรไปได้บ้าง เอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ร่างกายนี้ยังเอาไปไม่ได้เลยเแล้วมันมีอะไรเป็นของเราเนี่ยวิปัสสนาให้มองถามตัวเองเรามักจะไปคิดกันแบบว่าเป็นของเราทุกอย่างเป็นของเราทุกอย่างเที่ยงจะอยู่กับเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ความสุขกับเราไปตลอดพอมันเปลี่ยนไปที่ก็ทุกข์กันแล้พอมันกลายเป็นของคนอื่นไปก็เสียใจกันละ อนี้วิปัสนาญาณก็คือให้เรามองเห็นความจริงที่เราไปเห็นกับตาละปัดกันเห็นตรงกันข้ามกันเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเนี่ยเราต้องมาฝึกสอนใจให้มองใหม่มองให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปมีมันดีกว่าอย่ากไปมีแฟนดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนได้แฟนใหม่มันก็สุข ยัไม่กี่วันก็ดิบแล้วหม้อข้าวยังไม่ทันดำทุกตีกันแล้วจำไว้นี่ไม่ได้เป็นคาโกหกหลอกลวงความจริงแต่ความอยากมันรุนแรงมากความเหงามันรุนแรงมากทำให้ไปตายด่าหน้าก็อย่างนี้ละตอนนี้ทุกขกวนเลืเกินขอให้สุขกับแฟนไปก่อนแล้วมันจะทุกทีหลังก็คายว่ากันไม ชิโยงนั่งดูลมหายใจเข้าออกพร้อมเจริญพุโทโธตามการหายใจเข้าออกและดูรู้สึกถึงลมที่เข้าไปถึงภายในกายและออกทําให้รู้สึกเหมือนการถอนหายใจแต่วันนั้นฟังซีดีพระอาจารย์เมตตาสอนว่าพระอาจารย์ดูลมเฉพาะที่ผ่านเข้าออกตรงจมูกเพียงนั้นใช่ไหมเจ้าคะใช่อย่าไปอย่าให้ใจทํางานแล้วต้องการให้ใจรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปตามลมเข้าตามลมออก ไม่ต้องพูดโทให้ดูเฉยๆไปคำถามจากคุณสุภาพรค่ะถ้าเราเลือกครูบาอาจารย์ในการสอนการปฏิบัติธรรมถือว่าความคิดเราเป็นกิเลสไหมคะเวลาเราเรียนหนังสือเราเรลือกโรงเรียนหรือเปล่ามันก็ต้องดูว่าถ้าเราเลือกด้วยเหตุด้วยผลก็ไม่เป็นกิเลสถ้าเลือกด้วยด้วยอารมณ์มันก็เป็นกิเลสเช่นไม่ชอบครู ค, ครนนี้ชอบครูคนนี้ แต่ครูคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยครูคนนี้ดีกับไม่ชอบเพราะดุไม่ชอบครูดุชอบชอบครูชมอย่างเงี้ยถ้าเลือกแบบนี้ก็ไม่ดีให้เลือกด้วยเหตุด้วยผลว่าครูคนนี้เขาจะสอนเราได้หรือเปล่าเขาจะให้ความรู้เราช่วยเหลือเราได้หรือเปล่าไม่ใช่เขาเอาอกเอาใจเราแต่เราความรู้ไม่ได้เลยจากเขาเลยถ้าอย่างนี้อย่าเลือกให้เลือกด้วยเหตุด้วยผลครับถามจากคุณชนะตน การนั่งผ่านความเจ็บถ้าจิตเข้าสมาธิได้ลึกจะไม่สนใจความเจ็บแต่ถ้าสมาธิไม่ลึกจะรู้สึกเจ็บอยากเปลี่ยนท่าอย่างนี้ควรพุทโธต่อไปเพื่อไม่ให้สนใจความเจ็บหรือนั่งดูความเจ็บไปเรื่อยๆเพื่อให้ผ่านความเจ็บคะถ้าอย่างหลังทําได้ก็ดีถ้ายังทําไม่ได้ก็ให้ใช้พุทโธหยุดเจด็ให้ทําจิตให้สงบก่อน ให้จิตมีกำลังก่อนมีสมาธิก่อนแล้วครั้งต่อไปเวลาเจอความเจ็บก็อาจจะดูเฉยๆได้้ดยการใช้ปัญญาแยกว่าความเจ็บนี้ไม่ใช่เราเราเป็นผู้ดูความเจ็บมันก็แค่นี้แหละมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เราดูมันไปได้ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีกำลังพอถ้ายังไม่มีกำลังก็พุทโธไปก่อนอย่าเพิ่งไปแยกมันว่ามันกับเราเป็นคนละอันกัน คำถามจากคุณยุคอนการอธิษฐานที่ดีเมื่อเวลาทํากุศลใจอธิษฐานว่าอย่างไรครับขอให้ทําเรื่อยๆใ ห, ใ ห, ให้ให้อธิษฐานที่เหตุอย่าไปอธิษฐานที่ผลเช่นแลถ้าเราวันนี้ทําบุญก็อธิษฐานว่าขอให้ได้ทําบุญอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่อธิษฐานว่าขอให้ได้แฟนขอให้ได้เงินขอให้ได้ราบยศสรรเสริญอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีอธิษฐานคำคำว่าอธิษฐานที่แท้จริงแปบลบว่าความตั้งใจ ตั้งใจที่จะทําสิ่งที่ดีให้กับตัวเร า, าเวลาเราใส่บาตรก็อธิษฐานว่าขอให้ได้มีโอกาสใส่บาตรอย่างนี้ไปทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรุ่งนี้จะได้ใส่บาตรต่อแล้วพรุ่งนี้ขอใส่บาตรอีกนะอธิษฐานแบบนี้ไม่ใช่ใส่บาตรแล้วขอให้ไปถึงพระ น, นิพพานมันไปไม่ได้หรอกคาถามจากคุณเจ้าฮะปกติอยู่ที่บ้านจะนั่งสมาธิที่ห้องพระ เมื่อวันก่อนไปทําธุร์ที่ต่างจังหวัดและได้พักค้างคืนที่โรงแรมก่อนนอนได้นั่งสมาธิขณะนั่งสมาธิเหมือนจิตจะดึงสร้างภาพนิมิตว่ากําลังนั่งสมาธิอยู่ที่ห้องพระที่บ้านและพยายามคานว่าตอนนี้ไม่ได้นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแต่รู้สึกว่าจะไม่สงบเลยครับแบบนี้ควรยอมให้จิตพาไปถูกต้องหรือเปล่าครับอ๋อไม่ถูกอะไม่นั่งสมาธิแล้ต้องมีสติกํากับใจ ต้องมีพุโทโธพุธโทโธหรือมดีดูลมหายใจไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนั่งในห้องน้ํานั่งในห้องพัะหรือนั่งที่ไหนก็ต้องใช้สติทั้งนั้นสถานที่ไม่สําคัญการนั่งสมาธิสําคัญที่สติต้องมีสติคอยกํากับคอยควบคุมใจไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะคิดเลื่อยเปื่อยอย่างที่ที่เล่ามานี่นั่งอยู่ที่โรงแรมก็ไปคิดว่านั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็มาเถียงกันไม่ใช่นั่นก็ไม่มันก็ไม่มีวันสงบ เวลานั่งสมาธิปับ ก, ก็ดูลมไปเลยพุโทโธไปเลยไม่ต้องไปสนใจว่าอยู่ที่ไหนคำถามจากคุณดานในสวดมรกแปมีบทสวดในมรคข้อหกมีประโยคว่ามีความภาคเพียนและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วมีความหมายว่าอย่างไรครับ อ, อความภาคเพียนนี้ท่านสอนว่าให้ทาอยู่สีลักษณะให้เพียนสร้างกุศลได้ยังไม่มีให้เกิดขึ้น ให้เพียรรักษากุศลที่มีแล้วไม่ให้หายไปให้เพียรละอกุศลที่มีให้หายไปและให้เพียรป้องกันไม่ให้อกุศลที่ได้ละแล้วกลับคืนมาอีกนี่คือวิธีทำความเพียรเช่นถ้าเรารักษาศีลได้แล้วก็ต้องรักษาต่อไปไม่อย่าให้มันกลับไปทำบาปอีกถ้าเรานั่งสมาธิได้เราก็ต้องนั่งต่อไปอย่าไปเลิกนั่ง ถ้ายังไม่ได้นั่งก็ต้องหัดนั่งให้ได้อะไรทํานองนี้ครับ ถ, ถามจากคุณปะทานพาเวลานั่งสมาธิกําหนดพุโทโธแต่ใจก็ยังออกไปคิดเรื่องอื่นก็เลยบังคับใจจนรู้สึกปวดหัวแต่ก็นั่งต่อไปจนครบชั่วโมงแบบนี้ถูกต้องไหมคะคือจิตชอบคิดก็ต้องบังคับก็ต้องหัดบังคับตั้งแต่ก่อนมานั่งหัดพุโทโธไปทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลย เข้าห้องน้ำอาบน้ำอาบทาแปลงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธพุโทโธไปเราสามารถพุโทโธได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่เราต้องใช้ความคิดกับการทำงานตอนนั้นเราก็พักพุโทโธไปพอเราไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานเราก็กลับมาพุโทโธต่อแล้วพอเวลาเรานั่งมันก็จะพุโทโธได้ง่ายแล้วมันจะไม่ไปไหนแล้วจะไม่ปวดมันจะไม่รู้สึกปวดหัวหรือปวดอะไรต่างๆ มันจะสบายมันจะสงบง่ายบางที5้านาทีสิบนาทีมันก็ดิ่งตกหลุมตกบ่อลงไปได้งั้นพยายามฝึกสติก่อนมานั่งนะพยายามมีสร้างพุทโธขึ้นมาก่อนคำถามจากคุณพัชรลักษ์ค่สิวิปสัสสนาทำได้ตลอดเวลาหรือต้องทำหลังจากทำสมาธิสมถะครับคือวิปสัสสนาถ้าจะทำให้มันได้ผลมันต้องมีสมาธิก่อนเพราะสมาธิเป็นเหมือนกับ การไปกินอาหารไปพักผ่อนหลับนอนถ้าเรายังไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้กินอาหารเวลาเราไปทํางานเราจะไม่มีเรี่ยวแรงวิปัสสนานี้เป็นการทํางานของจิตเป็นการต่อสู้กับกิเลสตัณหาแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะไม่มีกําลังสู้กับกิเลสได้รู้ว่าไม่ดีก็ยังหยุดมันไม่ได้เช่นรู้ว่าเดื่มสุราไม่ดีมันก็ยังอยากดื่มอยู่ก็เลิกไม่ได้ แต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันจะไม่หิวกับสุลาแล้วพอเกิดอยากจะดื่มโซลามันก็จะเฉยเฉยจะหยุดจะไม่ดื่มได้เฉะั้นถ้าอยากจะเจริญวิปัสสนาแบบได้ผลก็ต้องมีสมาธิก่อนแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิพิจารณาไปก็เพลยงแต่ซ้อมไปก่อนแต่ยังไม่สามารถที่จะทําแบบให้มันเกิดผลขึ้นมาได้เพราะผลที่เราต้องการก็คือการหยุดความโลภความอยากต่างๆนี้เอง อาจารย์คะหนูเดินจงกรมอยากขอคำแนะนำคะ่ะคือในทุกวันหนูเดินเช้าและเย็นขณะเดินรู้ว่าขวาซ้ายและรู้ลมเข้าออกพร้อมด้วยกันหรืออย่างไรคะเอาอย่างเดียวดีกว่าไม่ต้องดูลมเอาขวาซ้ายไปเรื่อยๆดีกว่ามันจะสบายกว่ามันจะง่ายกว่าเราทานี้เพื่อไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแค่นั้นเองเดินมากๆเดินนา น, านๆเดินให้บ่อย การที่เราเคยมีครูบาอาจารย์ที่นับถือเคยไปเคยไปปฏิบัติทำด้วยแต่พอได้พิจารณาเทียบเคียงคําสอนแล้วมีบางเรื่องที่เราไม่สบายใจเช่นการตวดมนเพื่อทําน้ําปลุกเสกช่วยรักษาโรคภัยหรือเรื่องการถ่ายภาพสิบสภาวธรรมที่ตาเนื้อมองไม่เห็นทําให้ดิฉันไม่อยากไปวัดนั้นอีกดิฉันมีมิจฉาทิฏฐิไหมคะดิฉันควรปฏิบัติตัวอย่างไรดีคะ มันก็ถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็ไม่ผิดพราเจ้าท่านไม่ได้สอนให้ทำเรื่องราวเหล่านี้เวลาเห็นว่าท่านทำเรื่องราวเหล่านี้มันก็เหมือนกับออกนอกลู่นอกทางถ้าเราตามไปเดี๋ยวเราก็ต้องออกนอกลู่นอกทางตามเขาไปการที่เราไม่ไปก็ไม่เสียหายตรงไหนเดี๋ยวสักสามข้อนี้ไหมเดี๋ยวสามข้อขาถามจากคุณปัทามา อยากทราบว่าทาสมถะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเมื่อไหร่จะถึงวิปัสสนาได้อ๋อต้องให้ได้สมถะก่อนให้จิตรวมก่อนให้จิตตกหลุมตกบ่อนื่งสงบแล้วอยู่ได้เป็นชั่วโมงนถึงจะรู้ว่าเรามีสมาธิมีอุเบกขาแล้วหลังจากออกจากสมาธิมาเราถึงไปทางวิปัสสนาแต่ถ้ายังไม่ได้เวลาออกมาจะพิจารณาไปเป็นการทาการบ้านก่อนก็ได้ พิจารณาความตายพิจารณาการสาธิสองไปแต่มันยังจะตัดไม่ได้ก็ทําซ้อมไว้ก่อนรอให้เรามีอัปปนาสมาธิก่อนพอมีอัปปนาสมาธิออกมาพิจารณามันก็จะตัดได้จะวางได้อีกสองข้ อ, ข, อนะข้อเดียวเลยเ อ, อ่าเด็กคำถามจากคุณพยามน้าสมาธิโดยบริกรรมพุทโธแล้วฟุงฟ้งซ่านมาก แต่ก็อดทนนั่งต่อจนครบตามเวลาถูกต้องไหมคะก็ถูกต้องแต่ยังนั่งแบบไม่ได้ผลเพราะว่าสติเรายังไม่ดียังไม่สามารถหยุดความคิดต่างๆได้ยงั้นก็ต้องสร้างสติขึ้นมาให้มากๆวิธีสร้างสติก็ต้องหมั่นพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งเราต้องพุโทโธหยุดความคิดไว้ก่อนหยุดให้มากพอมาถึงเวลานั่งมันก็จะได้ไม่ฟุ้ง หมดแล้วใช่ไหมมีค่ะ อ, อ, อีกอีข้อเดียวนะข้อสุดท้ายนี้เพราะเดี๋ยวจะมีภาษาอังกฤษคําถามภาษาอังกฤษเข้ามาคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการที่เราอยากไปทําบุญไปกราบครูบาอาจารย์แต่หาเพื่อนรอดตัวที่ชอบไปวัดยากมากอีกครั้งต้องตื่นแต่เช้ามืดแต่ละที่อยู่ไกลบางครั้งรู้สึกเสียใจที่ไม่มีคนไปด้วยเราควรวางใจอย่างไรดีคะก็เรื่องนี้มีถ่ายทอดสดนี่ก็มาถึงเมื่อเนี้ มาหาครูบาอาจารย์แล้วเหมือนจะต้องไปเลยสมัยนี้ครูบาอาจารย์อยู่ที่คําสอนไม่ได้อยู่ที่วัดถ้าไปวัดไปเจอครูบาอาจารย์แต่ท่านไม่สอนก็เสียเวลาเปล่าๆนั้นไม่ต้องไปวัดหรอกในนี้ครูบาอาจารย์มาถึงบ้านเราหนังสือธรรมะนี่เต็มไปหมด C ีดีเต็มไปหมดครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้มีเครื่องนั่นซีดีที่เรียวกว่าพระเครื่องนะพระในเครื่องโอ้มีครูบาอาจารย์ไม่รู้กี่องค์อยู่ในนั้น อยากจะหาอาจารย์ตรงไหนก็กดใส่เข้าไปเลยไม่ต้องไปเสียเวลาหาเพื่อนพาไปวัดาการไปวัดนี่เป้าหมายหลักก็คือไปหาธรรมะไปหาคาสอนเดี๋ยวนี้สมัยนี้เรามีเทคโนโลยีมีไอทีมีอะไรทำให้เราสบายไม่ต้องไปวัดแล้วกูบาอาจารย์มาหาเราถึงบ้านเลยเพียงแต่เปิดเครื่องนั่งฟังมันก็ถึงแล้วหรือเปิดติดตามสดก็ได้มีคำถามก็ถามได้ จะมีอย่างนี้เมื่อไหร่สมัยที่เราปฏิบัติไม่มีเครื่องราวาอย่านี้ต้องไปวัดสมัยนั้นต้องไปหาครูบาอาจารย์ถึงจะได้เจอถึงได้ถามปัญหากัจากท่านได้สมัยนี้โอ้สบายนี่เห็นไหมเอาแล้วนะคิดว่าภาษภาษาไทยก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้เพราะวันนี้มีคําถามเป็นภาษาอังกฤษเข้ามาก็ขอให้ท่านจงนําสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ